ทรงประชุมสง์บัญญตัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุปนันทาสกยบุตรว่าอุปนันทะทราบว่าเธอรับนิมนต์ไว้แล้วมีพัะตหารแล้วยังเที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายก่อนถึงเวลาฉันพัะตาหารจริงหรือท่านพระอุปนันทาสกยบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า